ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอโรกรธฉันอยากจะขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจรู้ตัวว่าฉัน ทนให้มันรุนแรงอยากให้เธออยู่อยากให้เป็นคู่ เธออยู่ยาให้เป็น จะเดินจากไปตอนนี้ได้โปรดอย่าเดินจากไปขอร เดินจากกันอย่างนี้ได้โปร้โทรดฟังฉันก่อนได้ไหมฉันรัก แมกครับขอต้อนรับสู่ช h a n n e ี V MAD with Audi ดีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า MAD คืออะไรนะครับ MAD ก็คือ Musical Acoustic Direction นะครับก็คือการแสดงดนตรีในรูปแบบของ a c o u สติกซึ่งก็ยังมีเครื่องดนตรีไฟฟ้าอยู่บ้าง น, นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะนำเครื่องดนตรีที่เป็นลักษณะประหยัดไฟให้มากที่สุดครับให้เข้ากับชุด5เบอร์หประหยัดไฟนะครับ